ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอนันตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยวิธีแก้จิตไม่ให้กระสันในอารมณ์ทางเพศมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่า พระนนเทระได้เข้าไปเที่ยวบินทบาตในกรุงสาวัตชีมีพระวังคีสะเป็นปัจฉาสมณะก็คือตามหลังท่านไปก็สมัยนั้นความกระสันได้เกิดขึ้นความกำหนัดย่ำลุกลวนจิตของท่านพระวังคีสะข้อความตรงนี้ฟังคล้ายๆกับ ในขณะที่พระเทรากำรังเดินวิทบาทและระวังทิะก็เกิดเหนียวนึกตรึกนึกในเรื่องเพศขึ้นมาจิตใจก็มีความกะสันรันจวนปั่นป่วนใจแต่ว่าพระธาจารย์ท่านเล่าว่สาสถานการณ์ช่วงนั้นที่จริงอยู่ในช่วงที่ พระนนท์ต้องเข้าไปในวังของพระเจ้าปเสนิกศุศลคือพระนนท์เทราได้รับนิมนต์จากพระเจ้าปเสนิกศุศลให้เข้าไปสอนธรรมะแก่พวกฝ่ายในก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนั้นก็มีพวกนางวาสภาคัติยา ถึงว่าที่จริงก็มีฐานะเป็นหลานของพระนุอยู่ด้วยแล้วก็เป็นหลานของพระอุทธเจ้าด้วยแหละก็ต้องการที่จะฟังธรรมเพราะเวลาพระนุนเข้าไปเทศในวังไปสอนธรรมะในวังก็มีพวกสาวสัรกำนันในแต่งตัวเรียบร้อยสวยงามตเข้าไปศึกษา บางคนก็ข้ามมานั่งกลายท่านแล้วก็พัดวีท่านก็เรียกว่าคงไม่ใกล้เกินนักกันนะแต่ก็ทาหน้าที่พัดวีถวายท่านเป็นการปฏิบัติต่ออุบาสิกากับพระภิกษุแล้วก็ลูกศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์ พระนท่านมีปัญญามีความรอบรู้แล้วก็เป็นภริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนตัวของท่านหรอกแต่ลการตรงนี้บางครั้งบางคราวนี่มันมีปัญหาคือหมายความอุปศิกานี่เขาก็ต้องการทานุบบำรุงบำเพ็ญบุญเขา แต่พระเองก็มีหน้าที่จะต้องรักษาพระวินัยบางทีมันก็กลายเป็นมีความขัดแย้งกันพระเองไม่ต้องการให้อุบาสิกาเข้าออมาใกล้ถ้ากลายมา ก, กเกินไปมันก็ไม่ดีแต่แว่าที่จริงพัดเนี่ยมันนั่งห่างๆได้นะส่วนใหญ่พัดในสมัยนั้นก็เป็นพัดใบตาล การพัดวีเป็นงานอย่างหนึ่งที่เราก็คุ้นๆกันอยู่ในสังคมไทยเข้าใจว่าในที่บางแห่งก็ยังมีอยู่เรียบร้อยอย่างในรั้วในวังผู้ใหญ่ผู้น้อยคนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยเราก็ยังมีการพัดวีกันอยู่ผลการทาหน้าที่ตรงนี้ในสภาพบรรยากาศแวดล้อมอย่างนั้นที่จริงมันก็ไม่แปลกอะไร เพราะว่าคนอยู่กันมากพระนรน์ท่านก็เทศไปก็สอนไปใครต้องการจะทำบุญอะไรก็ทำไปก็ดูความเหมาะความควรก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงแก่พระมหากัสปะคือสืบเนื่องมาจากเทพธิดาองค์หนึ่งที่ได้ทำบุญ กับประมากษัตริยแล้วก็ตายแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพปฎิดาในสวรรค์ชั้นดาวบดึงก็ระลึกชาติได้นะฮะว่าบุญกุศลที่เป็นเหตุได้ตนเองมาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวบดึงนั้นมีเล็กน้อยแต่นั้นเองเพิร์ก็ต้องการจะเพิ่มบุญเวลาประมาณกษัตริยออกไปบินธบัต เธอก็มาดูแลปัดกวาดจัดอาคารสถานที่ต่างๆที่พระเทราอยู่นี้เรียบร้อยตั้งน้ำช้น้ำฉันทุกอย่างนี้เรียบร้อยเหมือนกับพระมเลนจัดการให้ครูบาอาจารย์พระเทราก็สงสัยว่าเอ๊ะใครมาทำความสะอาดบัดหนึ่งท่านก็โส ด, ดูแล้วก็พบแล้วก็ตำหนิจนถึงต้องขับไล่ออกไป ิถิดาก็เสียใจร้องไห้ว่าพระเทราไม่เปิดโอกาสในท่านให้ท่านได้ทําบุญประมากรกตปาท่านก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกเธอทําอย่างนี้ประเดี๋ยวในโอกาสต่อไปพระธรรมกัถึกขึ้นไปเทศแล้วก็นําเรื่องนี้ไปเล่ามันกลายเป็นความไม่เหมาะสมไปพระเจ้าทรงทราบก็รับสั่งว่า การสมรวมระวังเป็นเรื่องของภิกษุแต่ว่าผู้ที่ต้องการบุญก็ปรารถนาจะทำบุญก็ทำบุญไปแต่ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ไปในกรณีนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้นปัญหามันก็อยู่ที่ท่านระวังขีศัก์ก็ได้กล่าวกับพระนนท์ด้วยคาถาว่า ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าพระวังกิสระนั้นท่านเก่งในทางาพูดเป็นสันทะลักคือเก่งในทางสันก็ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเล่าร้อนเพราะกรรมราคะจิตของข้าพเจ้ารุ่มร้อนขอท่านจงบอกวิธีเป็นเครื่องดับราคะเพื่อนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าโดยเถิดพระโคดม ปรากมคำนี้หมายถึงพระอนุนนะครับคือเป็นความสัตย์ซื่อของท่านท่านไม่ต้องการจะหลอกลวงความคิดของท่านเองตอนนเ้เนว่าความคิดตรงนี้ไม่เหมาะไม่ควรคล้ายๆกับประศุกอนแต่ท่านคิดดูมินภิกษุอื่นว่าเป็นผู้ทุศีนก็โดยอาศัยปฏิภาณของตัวเองคือคิดตัวเอง แล้วก็มีความรู้สึ ก, กว่าการคิดเชยนนี้ไม่เหมาะไม่ควรสาหรับท่านแล้วก็กล่าวตักเตือนตัวเองด้วยคาถาที่กล่าวไว้ในวันก่อนในที่นี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านเห็นว่าความคิดของท่านมันชักแหวงคือเกิดไปสนใจพวกสาวสรรกำนันในในรู้ในหวัง ปัญหาตรงนี้เป็นปนัญหาที่น่าคิดนะฮะจนว่ามีการตํานานเล่าในเชิงมีความเป็นมาที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องจิตที่กระสันในเรื่องเพศของขอ่ายในแล้วของพระนั่นแหละพระพระก็เข้าไปฉันในวังกว่านในก็ออกมาปฏิบัติวัดถา บางทีก็เกิดสนใจระหว่างกันแหละกันหรือว่าควายใดควายหนึ่งเกิดสนใจอีขวายหนึ่งเราก็มีปัญหาเพราะนั้นก็วินัยมันยังเกิดขึ้นเยอะเจนพระฉันในวังในที่นิมนต์เนี่ยก็เที่ยวสายไปยสายมาไม่ได้ก็ต้องก้ม หน้าดูอยู่ที่จานอาหารหรือที่บาทนะฮะสมัยโบราณเขาก็ใช้บาทแล้วก็บางครั้งบางคราวก็มีปัญหาจริงก็บอกว่าเหตุที่ต้องมีตละลปัดเนี่ยคือตาลปัดทุกวันเนี่ยก็บอกว่าเพื่อป้องกันมาให้พระมองผู้หญิงแต่จริงจริงก็นึกไม่ออกนะฮะ เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ตาละปะัตตอนยถาแทนเองเวลาฉันเวลานั่งสวดสวดนะไม่เคยแปลกคือสวดสวดมากจะหลับตาก็เป็นปกติพระทั่วไปเวลาสวดมนต์ก็จะหลับตาเลยเพือสํารวมใจให้มีสมาธิ ด, ดีเพราะาโอกาสตรงื่นมันก็ฉันอาหารก็อ้อมหน้าแต่ไม่ใช่ว่าถึงก็เหนืไม่ได้นะฮะ เพียงแต่ว่าสมรวมระวังที่จิตใจในตรงนี้มันก็คือปัญหาที่มันเกิดความร้อนร้อนขึ้นด้วยการมาราคา่ะ เ, เนื่องจากเห็นรูปเป็นหลักเห็นรูปหรือฟังเสียงก็เป็นหลักเพราะว่าเป็นเรื่องไก ล, ก, ลก็นั่งไกลกันก็เห็นรูปด้วยแลควฟังเสียงด้วย สึกนึกกระทำธรรมดาของจิตมนุษย์ที่มันดิ้นรนกัดแกงห้ามยากรักษายากมักสายไปในที่จ่วตอนท่านเกรภาพหมดแหละคือเราจะเห็นถึงความซื่อสัตย์ของท่านคิดอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นลนะเล่าเล่าหมดเลยแล้วก็กระซิบบอกกระซิบบอกต่อหน้านั่นแหละ ตอหน้าคนที่ฟังกันอยู่แต่คงจะเบานะคงพูดเบาๆแล้วขอร้องให้พระอนุ์ช่วยบอกวิธีเป็นการบรรเทากามราคะหรือบรรเทาความขสรรัสนความต้องการในทางเพศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากจิตรบปรุง ปรุงมองรูปว่าสวยมองเสียงว่าไพเราะมองกลิ่นว่าหอมมองรสว่าอร่อยมองสัมผัสว่าน่าจะต้องแต่ในที่นี้เราจะเห็นว่ารูปกับเสียงกอได้เห็นก็ได้ยินก็แสดงว่ามองรูปว่าสวยแล้วก็ความเสียงว่าไพเราะมันเกิดพอใจต้องการดูต้องการฟัง จนลากประเด็นออกไปก็ยุดเชื้อจนถึงก็ต้องการจากครอบครองเป็นเจ้าขรอเจ้าของอย่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายในโลกเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากนั้นนี่ยเขาเรียกว่าสุภะสัญญากําหนดหมายว่าสวยงามกำหนดหมายว่าไพเราะกําหนดหมายว่าน่าจับต้อง แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากสัมผัสส่วนไหนแต่นี้เป็นเรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นก็สัมผัสกับตากับหูเป็นเรื่องใหญ่แล้วขอให้บรรเทาเพราะงั้นก็วิธีการก็คือว่าจะต้องพยายามมองสังขารร่างกายเป็นที่รวมของความปฏิกูล อย่างตัวอย่างในอารมณ์ของกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือต้องการจะเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะต้องการบรรเทาการมาตัญหาภายในใจของมนุษย์ที่ประรบร่างกายคือกำหนดหมายร่างกายของของตนและของคนอื่นนะฮะ วันป้าเป็นที่ตั้งแห่งความบรรณดเพื่อเพลินยืน ช, ชมยินดีก็มีความพอใจติดใจอยู่ในร่างกายดังนั้นปิธีมองก็คือที่ทรงสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มต้นจากการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเลืกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเดินจริงๆก็ดูที่ หา้ ใ, ใจเข้าออกยาวสั้นก็ให้รู้ไปตามนั้นก็เรียกว่าตามรู้ระลึกรู้ตามลมไปในการต่อมาก็มีวิธีการสอนอธิบายไว้หลายตอนหลายขั้นตอนในวิสุทธิมัคเรก็แสดงเห็นอย่างหนึ่งว่ า, าพระเรานั้นจิตในเรื่องนี้เสื่อมลงคือหมายความว่า แต่ความพร้อมของสติสัมจัญญะความเชี่ยนเนี่ยมันมีไม่มากพอท่านจึงแนะวิธีต่างๆเช่นวิธีดูที่จุดซึ่งลมกระทบจตงสติระลึกรู้อยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบหรือว่าภาวนาวปุทโธหรือว่าดูต้นลมกลางลมปลายลม บทสรุปว่าให้สติมีที่เกาะก็และการเกาะยังไงก็ได้สติมันก็เปรียบเหมือนก็เชือกที่ล่ามลูกโขไว้กับเสารหรือไว้กับต้นไม้แล้วลูกโขก็เหมือนกับจิตเสารหรือต้นไม้เนี่ยมันก็เหมือ น, นอารมณ์ของกรรมาฐานในที่นี้ก็คือลมหายใจเข้าออกถามว่าทาได้ไหมทําได้ก็ไปเลยแต่ไม่ได้มันก็เปลี่ยนเป็นอายาบทใหญ่คือยืนเดินนั่งนอน เราจะเห็นว <els> <and> <the esh> <aju> right? ่าเอาก็จริงแล้วชีวิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอิริยาบถที่เรายืนเดินนั่งนอนที่จริงมันเป็นอาการเกิดดับและเราก็พร้อมที่จะดับได้ทุกอิริยาบถเหมือนคนตายทุกอิริยาบดยืนก็มีเดินก็มีนั่งก็มีนอนก็มีตายได้ทุกอิริยาบถท่าทําได้ไปถึงจุดหนึ่งมันก็พิจารณา พิจาณในแง่ของความไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนมีความแปรผันแปรปรวนไปโดยระการต่างๆเพราะถ้าเราไม่พิจารณาก็ไม่เคยเห็นหรอกต้องพยายามพิจารณาบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วลึกไว้บ่อยๆ แ, แม้แต่อาหารที่รับประทานเข้าไปเราคิดดูว่าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยอาหารมันเริ่มต้นจากสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย ตอนดิบๆเนี่เราเห็นชัดเจนออมันก็ปฏิกูลแล้วพอเราเข้าไปในปากแล้วไปเคี้ยวมันก็เห็นเป็นปฏิกูลก็ไหลลงไปมันก็เป็นเป็นปฏิกูลอยู่ในขับพายออกมาก็ปฏิกูลเลยเป็นที่รวมของร่างกายร่างกายจึงเป็นเขาเรียกว่ากุอายะคือกายะนี่แปลว่ากุอายะเป็นแหล่งรวมหรือแหล่งประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย จากนั้นก็สอนให้ดูที่อเยาบททั้งหลายในยดูเดียบทมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดแดคส ค, คู่แขีอนเหยียดแขนหยิบของเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาอะไ ร, ต, รต่างๆไม่รู้มีสติกากับแต่แน่นอนขนาดนี้เราถ้าไม่ตั้งใจทากรรมฐานจริงๆก็ทำยากหน่อยเพราะว่าสติเนี่ยมันก็ต้องระลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเราทำงานอยู่เราไปเจริญกรรมฐานหรือว่าทำอย่างมีสติกากับเป็นการเสริมไม่ใช่จะต้องให้เกิดความสงบเย็นอย่างที่เ็ต้องการนี่ก็พอทำได้แต่ถ้าหากว่าต้องการจริงๆเขาต้องเจริญกรรมฐานไปเลยแล้วก็ตัดเรื่องกังวลต่างๆออกไปด้วยหมายความว่าต้องให้อยู่กับปัจจุบันจริงๆ นีถ้าทำได้มันก็ไปเรื่อย่าจะเห็นความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วค่อนข้างจะชี่ขึ้นจากนั้นก็ดูร่างกายเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมของผมขนและฝันหนังเป็นต้นตามปกติตอนต้นๆเราก็จะดูต่ผมขนและฝันหนังคือห้าอย่าง ก็เรียกว่าตัจับัร ญ, ญากาศกรรมฐานคือเราจะเห็นว่าร่างกายของมนุษย์เราที่จริงปรากฏแก่สายตาของเราเนี่ยก็คือปุบคนและฝันดังยังอื่นมันก็อยู่ข้างในหนังมันหุ้มไว้แต่เราเห็นก็คือเกษาผมโรมาขนนาขาเล็บทันตาควัญตะโจนหนังมังสารเนื้อเราก็ไม่เห็นแล้ว ตพรที่เราเห็นมันไม่ใช่เนื้อนะฮะมันหนังมันทุมอยู่พระนั้นจริงๆมก็มีอยู่แค่สี่อย่างแค่ห้าอย่างพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการชุ่มแช่โดยปุโปรโรหิตต่างๆจะต้องมีการชำระสะสางชำระล้างกนันวันวันหนึ่งหลายครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับการชำระล้างร่างกายเนี่ย ยังบอบอกก็สองครั้งแต่ถ้าเรารับถึงการรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหารก็ชำระล้างมือไม้ให้สะอาดรับประทานไปแล้วก็ต้องชำระล้างเยอะเหมือนกันถ้ารับประทานสามครั้งก็ต้องชำระล้างทั้งสามครั้งแต่ตามปกติบางก็คนเราก็อาบน้าไม่น้อยกว่าสองครั้ง แต่โดยทั่วไปมันก็สามหรือสี่ครั้งแสดงว่าเราก็เสียเวลาอยู่กับการชำระล้างร่างกายที่มันปฏิกูลนี่แหละและยังอุตสาหตกแต่งเนี่ยตกแต่งประดับประดาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราลองสำรวจ ด, ดูลองนับดู ว่ามันเป็นเรื่องต้องการจะหลอกตัวเองหลอกคนอื่นและเห็นว่ามีความสวยงามอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเก็ว่ากันไปก็ปรุงแต่งกันไปแต่อานที่จริงมันมันบ่งบอกอยู่ในตัวเขามานันน่ะแหละเช่นสมมติว่าน้ำบ้วนปากลิตรินบ้วนปากก็แสดงว่าปากเราเป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลดาหยอดตา เรื่องทาผมเครื่องทาส่วนต่างๆและอะไรต่างๆสบู่แชมพูอะไรต่าๆเนี่ยทั้งหมดอ่ะเราจะเห็นถึงความปฏิกูลของร่างกายแต่คิดไปบ้างว่าอย่างน้อยก็บันเทาคือไม่ใช่ไปเห็นแล้วก็ปรุงคิดคิดปรุงแต่จะตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นภายในใจมันก็อาการหนักไปหน่อย แต่ตอนนี้พระเถรวทัพยังเป็นหนุ่มนะฮะเพิ่งเพิ่งเพิ่งบวชใหม่ๆก็ธรรมดาจิตใจของคนหนุ่มคนสาวมันก็คือคนอ่ะ ก, ก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละจากนั้นก็แยกกายเป็นธาตุเป็นส่วนเป็นดินน้ำลมไฟเอาเฉพาะดินน้ำลมไฟนะไม่เอาอากาศแล้วก็ไม่เอาวิญญาณ เพราะาอากาศจะไปอยู่ที่อรูปกรรมฐานครืออากาศสารัญจายตนะวิญญาณก็อยู่ในอรูปกรรมฐานคือวิญญาณัญจายตนะจิตใจเราต้องต้องมีความประณีตพอไมไ้มาดูไม่ทนันอ่ะคือพูดมันแกล้ๆจะง่ายแต่ว่าที่จริงเวลาปฏิบัติจริงๆก็ดูยากเพราะว่าสติจะต้องแหลมคม มากมากพอสมควรทีเดียวจึงจะเกิดความสงบได้แล้วจากนั้นก็จะไปดูสักศพกันเลยให้เราสังเกตว่าตอนต้นๆเนี่ยจะดูจากตัวเราเองปรากฏว่าพูดไปพูดมายังไม่รู้เรื่องเลยใจมันไม่ยอมรับรู้ว่ามันสวยอยู่อย่างนั้นแหละในที่สุดก็บอกให้ไปดู ส, กสักศพ ซึ่งสมัยโบราณเนีน่ยมีการทิ้งซากศพไปในป่าช้าของาศาสนาโซโรอัตเตอร์หรือาศาสนาปเออปอร์เซียปาเซียทุกวันก็เกงทิ้งอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งตามป่าช้าอย่างนั้นมันส่วนใหญ่แต่เมืองหลวงมันก็อยู่ตามลิฟที่ เ, เดินขึ้นไปลอยอยู่บนหลังคาประสบไปนอนอยู่ตรงนั้นประเดี๋ยวอีแร้งก็ลงจัดการเรียบร้อย จนก็ยังถือประพุติปฏิบัติแต่ตรงนี้ที่เป็นเหตุให้พระใช้เป็นอารมณ์กรรมาฐานแล้วก็ไปชักผ้าบางสกุลอะไรต่างๆไปอยู่ป่าช้าเพราะว่ามีซากศพผีดิบให้ดูเพื่อจะนั่งพิจารณาแต่ว่ามีรายละเอียดเดยอะมากเื่อการมองเนี่ยมองในแนวอสุภะคือไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามในจริงคือความจริง ความสวยงามเนี่ยที่จริงมันเป็นภาพลวงตาเฉยๆถามว่าตรงไหนมันสวยละ่ะหยิบมาทีละชิ้นมีผลขบผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อวในกระดูกมา้าหัวใจทับปังปืดเราใจเร า, เร า, เราดูแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่อะไรนะแล้วพวกนี้เวลาหล่นร่วงลงไปในอาหารมันก็มีปัญหาแล้ว ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าไอ้ความปฏิกูลเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายเราเนี่ยเหตุจะทําอะไรอย่างหมออย่างเงี้ยก็จะผ่าตัดจะอะไรแต่ไรต้องล้างมือสะอาดซะก่อนเราต้องสวมถุงยางถุงมือยางง่ายทาความสะอาดจริงๆเลยกลัวว่าจะมีเชื้อโรคประปนอยู่ แ, แสดงว่าร่างกายมันก็เป็นของปฏิกูลอย่างเนี้ ราคาที่จริงมันเกิดจากใจกำหนดด้วยความกำหนัดแต่ใจไม่กำหนดด้วยความกำหนัดมันก็ไม่มีอะไรแต่เราถ้ากำหนดด้วยความกำหนัดเดี๋ยวบางทีมันก็สร้างจินตนาการที่ลวงยังยกตัวอย่า ง, ออางระเจ้ากรุงรามานก็ดีหรือพระอภัยมณีก็ดีในเรื่องพระอภัยมณีพหลงรูปนงางละเวงรูปเขียนนะ แล่ถ้าก็หลงก็ได้เพราะมันมีการปรุงร่วงหน้าจากข่าวคราวต่างๆหรือแม่แต่ของเราเรื่องลิลิตประลอพระเพื่อนพระแพงพระลอสวยขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเราฟังที่เขาเขียนเนี่ยมันเขียนเกินไปเกินที่จะเป็นคนนะเพราะอะไรเพราะภาษาที่พูดด้วยความรักก็ดีพูดความโกรธก็ดีพูดด้วย ความหลงหรือความไม่รู้จริงก็ดีเนี่ยมันมีเทศอยู่เยอะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทำกิเลสให้หมดได้เพราะงอันบางทีนี่เรารู้ไม่ถึงแต่บางทีมันเป็นอารมณ์ที่ชัดแต่พูดด้วยความกำหนัดพูดด้วยความโลภพูดด้วยความโกรธพูดด้วยความหลงเนี่ยมันไม่ชัดท้งนั้นนะมันเทศจะปนอยู่เยอะ แล้วก็สังคมเราส่วนใหญ่มันก็พูดกันแนวนี้มากในวัตถุนิยมทั้งกรมบริโภคเนี่ยเราพูดกันแนวนี้มากเพราะเรื่องโกหกที่จริงมันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนมะ่ว่าจะสื่อโทรทัศน์วิทยุคือทวนมากมันตามสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์เขานำไปก่อนแล้วพวกวิทยุกับโทรทัศน์ก็มาอา่าน ข่าวเรื่องเดียวกันยกทีมไปทำข่าวแล้วก็พอรายงานไปแล้วปรากฏว่าพวกเขียนข่าวจริงๆที่โต๊ะข่าวนี้เขาจะเขียนกันคนละแนวเรื่องเดียวกันนะฮะฟังคล้ายๆกับคนละเรื่องเดียวกันเหมือนในที่นี้พระโนุ่นก็ให้สติเตือนพระจิตของท่านรุ่มร้อนเพราะสัญญาอันวิปลาส คือมนุษย์เนี่ยมันวิปลาสในสี่เรื่องก็เรียกว่าสราบใดที่เรายัางเป็นสามัญชนเราก็เราก็วิปลาส อ, อย่างเงี้ยเราคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันไม่ได้ถึงกับสติวิปลาสแต่ว่าพรามากมันก็เอาเหมือนกันนะตรงนี้ก็เรียกว่าสุภาษวิปลาส หมายความว่าเป็นการมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนี่ว่าสวยงามกําหนดว่ารูปสวยกําหนดว่าเสียงไพเราะกําหนดว่ากลิ่นหอมกําหนดว่ารสอร่อยกําหนดว่าสัมผัสนี่น่าจะตอนถามว่าใครบอกเราอ่ะก็เราบอกเราเองเราปรุงเราเองเขาเรียกาปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองและในที่สุดก็กลายเป็นตันหาคือความอยาก พตระพญาก็อุปทานก็ยึดประยุทธ์มันก็เป็นเป็นความสวยงามอยู่ภายในใจเราเป็นความเผยรอดอยู่ภายในใจเราใจมันก็กรสัญญยากก็สันอยากที่จะดูจะฟังจะดมจะลิ้มจะชิมจะจับต้องพวกอารมณ์เหล่านั้นพระเถราใช้คำว่าสัญญาวิปลาสที่จริงความวิปลาสตรงนี้มันมีสามระดับระดับสัญญานี่ถือว่าอ่อนนะ ไม่มีความรุนแรงเพราะจริงๆพระเถระพระวังคีสะท่านก็มีมีสติดีอยู่จำเรืนงก็เรียกจิตตะวิปลาสคือคิดวิปลาสมันคิดคลักเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วพวกนี้ไม่รู้หรอกคือว่าเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามองในมิติเดียว เรามองในมิติเดียวแต่ถ้าเรามองในมิติทางศาสนายกตัวอย่างจริงเรื่องอะไรก็ได้นะมันเป็นอาการสะท้อนธรรมทั้งนั้นแหละอย่างยกตัวอย่างว่าพระรามกับทศกัณฐ์แย่งนางสีดากันอยู่14ปีนะฮะเราดึกดูว่าตีซะว่าตอนนั้นนางสีดาอายุ20 14ปีก็34ปี ก็เป็นสาวที่ค่อนข้างแก่แล้วก็ ย, ยั ง, งย แ, แย่งกันอยู่แล้วแย่งกันจนจนหายไปเลยนะี่ยังหึงกันอยู่เลยมีพระม ก, กุฏพระลบแล้วพระมงกุฎพระลบแล้วก็ยังหึงกันอยู่ขนาดเขียนรูปตัวตะกันยังหึงเลยนันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ยึติดก็ทํานองว่าเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไป ท่างๆที่ทุกอย่างมันเปลี่ย น, ปย น, ปยนแปลงแล้วผลความเห็นที่วิปลาสเหล่านี้มันทำให้จิตมันปรุงคิดคิดปรุงไปเรื่อยๆซึ่งในแง่ของโลกมันก็อาจจะดีนะฮะเพราะว่าเขาก็อยู่ร่วมกันมาตลอดไม่มีใครนอกใจใครนะสามีก็ปัญญาตัวเองคนเดียวที่สวยงาม ปัญญาก็สามีคนของตัวเองคนเดียวที่ดีมันก็ในแง่ของครอบครัวมันก็นดีแต่วันนี้มันแง่ของาศาสนาแง่ของการปฏิบัติที่จะพัฒนาจิตตัวเองให้มีความปฏิบัติกินขึ้นเพราะงั้นพระเทิดาก็บอกว่าให้ท่านจงละนิมิตอันสวยงามอังเกี่ยวด้วยราคะเสีย คือมายความมองมุมใหม่สิมองมองดีๆที่เธอไปเข้าใจนะฮะว่าสวยงามเนี่ยที่จริงมไม่ต้องอะไรมากนะคือคนเราก่อนนอนก็ตื่นนอนตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยมันก็ต่างกนะันนะก่อนนอนอาจจะพอดูได้อยู่พอนะตื่นนอนก็ข้าวก็มอมแมมก็ต้องรีบไปชำระล้างตกแต่ง ดูปรางนาตาให้ดูดูได้นะดูดีระสมควรนะใครไม่ไปทำอย่างนั้นก็จะถูกต่อว่าถูกตำหนิแลวก็บ่งบอกกันอยู่บ่งบอกกันอยู่ให้เห็นว่าสังคมก็พยายามที่จะให้ตนเองเป็นที่ตั้งของการมราคะสมหรับบุคคลที่ตนเองรัก วันแต่ละวานมันก็ปรารถนากันอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรุงแต่งบรุงคิดคิดปรุงกันในลักษณะอย่างนั้นที่นี้พระเทระไม่ได้สอนอยู่ เ, เฉพาะตรงนี้แต่นี้เป็นแนวของเรียกว่าเป็นแนวของการใช้ปัญญาพิจารณาในแนวของกรรมฐานแลัจากนั้นก็บอกว่า ให้มองในความเป็นของไม่เที่ยงคือความไม่เที่ยงเนี่ยคือความเที่ยงเนี่ยมันเป็นวิปลาสอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิจจาวิปลาสมันไม่มีอะไรนิ่งอยู่สักอย่างในโลกนี้มันเลื่อนไหลโดยไม่คงที่แล้วก็ไม่เคยอยู่นิ่งแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าเที่ยงแท้ไปยึดมั่นตื่นมันว่าเที่ยงแท้ พอเทีแทบมันก็สวยเลยเทียงแทบไปรอก็เลยเล ย, เลยก็เที่ยงแท้ให้ลองสังเกตว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนักร้องชั้นดีของประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างที่เรารู้สึกว่าเป็นเสียงระครังอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่จะยกย่องกันด้วยหน้าของตาหาอุปาธานที่เรายุดเนี่ยจนทุกวันอา ย, ยุท่านตั้งหกเจ็ดสิบแล้วก็เสียงยังไปรออยู่ แต่ถ้าเราฟังโดยไม่ยึดติดมติว่าเราเอาเทปเก่ากับเทศใหม่มาฟังนั่ก็เราเห็นว่มันต่างกันเสียงมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ถ้าเรามีอุปาทานอยู่เราก็ยังพอใจที่จะฟังเพราะเราฟัง ด, าาาาด้วยอุปาทานอุปทานยึดติดด้วยนิจจาวิปลาคือถือว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ เผยรอบเพราะพริร้งเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ประกันได้บางการมองในแง่ของความไม่เที่ยงก็คือสิ่งทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะที่เกิดขึ้นก็ดีตั้งอยู่ก็ดีดับไปก็ดีนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในจุดอนุลเล็กๆักกนั้นนีมันยังเปลี่ยนเข้ามาัน แต่ถ้าสติปัญญาเรายัางไม่แหลมคมพอเราก็ดูไม่ทันอะ่ะแต่ว่าที่จริงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เรียกเป็นขณะที่ไม่รู้จะนับยังไงเหมือนกันในขณะเดียวกันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วสรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเที่ยงแต่ซึ่งก็ที่จริงถ้าสิ่งแล้วมันต้องไม่เที่ยงนะคร คนสัตว์สิ่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นรูปธรรมคนก็เป็นรูปธรรมสัตว์ก็เป็นรูปธรรมสิ่งก็เป็นรูปธรรมแต่นี่ผ่านเที่ยงนะความตายนี่เที่ยงแต่ว่าไม่แน่นอนว่าตายเมื่อไรแต่ตายนะตายแน่ความตายก็เที่ยงในแง่ของวัตถุไอ้ตัวความตายาจริงมันเปน็นนามธรรมนะฮะ เราไม่ได้พูดถึงคนตายเราพูดถึงตัวความตายความตายก็เป็นนามัธรรมจีคนไปเข้าใจว่ามันเป็นของของไม่เที่ยงนยีแต่ว่ามันไปชิดยึดโยงันชีวิตเราไปเข้าใจวันเที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยง แต่ว่าเวลาสถานที่อะไรแต่ออไรต่างๆมันก็หาข้อยุติอะไรไม่ได้เหมันเพียงแต่ว่าตายแน่แต่นั่นเองเพราะนั้นก็มองในแนวของอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงแล้วในขณะเดียวกันก็มองในแง่ของความเป็นทุกข์เพราะว่าจิตมันจะวิ่งเมื่อเห็นไม่เที่ยงจิตมันจะไปคว้าว่าเป็นสุขก็ต้องดูที่มันเป็นทุกข์เสีย เคยเข้าใจความจริงที่จริ ง, รงมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะหนึ่งเกิดขึ้นมันจะเหตุปัจจัยอย่างรูปสาสารกำนันในที่บรองขีสาท่นเหตุนี้ชัดเจนมันเกิดขึ้นมันจะเหตุปัจจัยแล้วก็คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การแต่งเนื้อแต่งตูประดับประดามาสวยงามยังไงก็ตามนะฮะมันก็อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแหละประเดี๋ยวมก็ไปแต่งใหม่แล้ว มีการแผดเผาด้วยเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกก่อให้เกิดความ ร, าร้อนร้อดด้วยประการต่างๆร่างกายเราจึงเป็นรังของโรคแล้วก็ต้องเปื่อยหน้าผุพังไปตามกันเมืนนอนกันหนเดียวกันมันก็ตรงกันข้ามกับไอความวัสสุที่เราเชื่อกันคือเราไม่ได้คิดต่อ ไอสิ่งที่เราไปคิดตัวสุขเราก็ไม่ได้คิดต่อเราก็จํานวนตามที่เขาบอกไว้เป็นสุขอยู่ชั่วนิรันดร์ชั่วที่ดนดร์มันสุกยังไงมีผู้เสวยนะมีผู้เกิดแล้วก็อยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็สุกชั่วนิรันดร์เอาไปทําอะไรเพราะเป็นชีวิตที่ไม่มีสาระการสารอะไร แทนที่จะช่วยสัตว์ตัวโลกช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือเกอกูลอะไรขึ้นมาและในขณะเดียวกันก็บอกว่าและอย่าเห็นโดยความเป็นตนคือมองในแง่ของความเป็นอนัตตาด้วยอนัตตาก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถบังคับคุบคุมให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ แล้วมันก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องอัตตาตัวตนที่ถาวรมันไม่มีสภาวะอย่างนั้นในโลกเราเนี่ยแล้วก็เราก็จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไร น, นั่นของเราของเราของเราของเราก็ว่าไปอย่างนั้นแหละปเดี๋ยวมันก็ต้องทิ้งหมดแล้วพอย่อยไปแล้วมันก็เป็นศูนย์เป็นสระบำสุญญ์ยำคือสิ่งทั้งปวงมันศูนย์ มันหาตัวตนแม้แต่นิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้จริงๆมันไม่มีตัวตนตัวตนมันเป็นการเกาะกลุ่มกันจากอนุลเล็กๆแล้วก็กลายเป็นปรมาณูเป็นอะไรต่างๆกว่าจะรวมตัวกันได้ไม่รู้สักกี่แสนโกดแสนโกดปรมาณูนะฮะ นี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันมันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวชดตนลทีนี้แล้วก็จงดับราคาอันแรงกล้ามันไม่มีที่ให้เกาะนะไม่มีที่ให้เกาะให้ยึดคือถ้าเราเข้าใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตาไม่สวยงามอะไรแล้วคุณจะกำหนดอะไรล่ะว่าสวยงามในเมื่อมันไม่มีสิ่งสวยงามเพราะสิ่งที่คุณว่าสวยงามมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตา แล้วก็บอกว่าจงอย่าถูกราคาเผาผลาญบ่อยๆที่พระเถระก็เตือนให้สตินะฮะอย่าปล่อยให้ราคานี่ยเผาผลาญบ่อยๆแล้วก็จงเจริญจิตในอสุภกรรมฐานคือจากดูประวัติของท่านเนี่ยท่านก็มีราคาจจริญอยู่นะับรู้สึกว่าจใจ้ตันไหวยไฟมาก เจอผู้หญิงมาสามเรื่องนั่นนะฮะเจอผู้หญิงมาสามเรื่องะ แ, แต่ก็ใจตั้งแข็งทุกทีบางทีก็ปรึกษาครูบาอาจารย์บางทีก็มีสติขึ้นมาเองตั้งหลักได้อเองก็เก่งนะฮะก็เก่งมากเออท่านก็อยู่จริงๆก็ไม่นานหรอกบรรลุลมรรคผลเป็นพระหรหันแต่ประวัติของท่านเกิดมาอยู่ในช่วงที่ท่านยังเป็นหนุ่มบทใหม่ๆ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นแต่พระนุ่มๆเท่านั้นเองแล้วพระเถระก็กล่าวว่าพระนนทรกล่าวว่าให้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นนันเดียวตั้งมั่นด้วยดีเถิดหม้ยความให้อยู่ด้วยสมาธิเพราะอะไรเพราะสมาธินี่มันเป็นตัวสงบกามราคะคือกามาชันอารมณ์มันจะยั่วยวนยังไงก็ตามถ้าใจเราไม่ปรุงคิดมัน ไม่คิดปรุงไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่ลิ้มไม่ชิมไม่จับต้องไม่เหนียวนึกตึกนึกในปรุงคิดไม่คิดปรุงมันก็ต่างคนต่างอยู่เขาอยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราต่างคนต่างอยู่ไปแล้วก็บอกว่าท่านจงมีกายะตาสติกายกตาสติก็เหมือนกันนะแยกกายออกเป็นอาการสาบสองกายะตาสติตามปกติจะดูกายเรา แต่ไม่ใช่ข้อยุตินะฮะไม่ใช่ข้อยุติคือบางทีเนี่ยมันก็ดูกายคนอื่นก็มีแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเราจะดูกายของเราเองดูให้เห็นดูที่ผมคนนะวผ่านหนังจะก่อนแล้วค่อยศึกษาตามไปสมัยโบราณเนี่ย ท, ะะท่านสวดนะฮะท่านสวด ส, ยยสวดสาทยายสวดเพระด้วย พอด้วยอธิมัสมิงกาเยเกซาโลมาเขสวดเวลนี้ก็มีขับแปลด้วยก็สวดแปรท่านจงเป็นผู้มากด้วยความหน่ายเคือมองในอีกมุมหนึ่งอ่ะที่พระเถ ร, ระพระบางกีษะท่านมองท่านมองอีกมุมหนึ่งท่านมองในในมุมที่รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจะต้องก็มองในมุมที่มันจริงสิ อันนี้มันกิเลสมันปรุงเอากิเลสมันยอมใจกิเลสมันยอมใจก็ปรุงใจไปใจก็ไพีเดียวนึกตึกนึกในลักษณะนั้นจ น, จนจงเจริญโดยความไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกาหนดหมายเอ้ยความสวยงามอันไหนละ่ะสวยงามมันสิ่งมันเกาะกุมเงินเฉยๆอะ อะไรมันสวยงามอ่ะอย่างคล้ายๆกับเราตุ๊กตาซื้อตุ๊กตามันตัวมาถอดชิ้นออกออ ก, ออกไปก็าหาตุ๊กตาไม่เจอเราดูไปในตลาดเขาขายหมูขายควายขายวัวขายอะไ ร, ไ ร, ไ ร, ไรต่างๆมันไม่มีอ่ะมันมีแต่ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ตายไปแล้วเพราะมันไม่ใช่วัวไม่ใช่หมูไม่ใช่ควายมันก็เป็นในชิ้นส่วนต่างๆ สี่เขาจำแหละออกไปกองไว้กองไว้เป็นกองกองกองกองกองเพราะนคนเราก็เหมือนกันสวยยังไงก็ตามถ้าจำแหละออกไปเป็นกองกองมันก็คือกันนั่นแหละแล้วก็ปฏิกูลน่าเกลียดน่าขยะขยะมากกว่าเลยซ้าไ ป, ไปแล้วก็จงถอดมา น, านุสัยมานะว่าเราเป็นเราเป็นคนหนุ่มนี่เธอก็เป็นคนสาวแล้วก็เป็นคนหนุ่มอย่าง พยายามมานี่มาชวนภิกษุณีศึกแต่ภิกษุณีท่านไม่มีมานะไอม้มานไม่มีมานะมันเลยก็ว่าได้คนเดียวเพราะการรู้เท่าทันถึงมานาะท่านจักเป็นผู้สงบระงับที่ออกไปนี่ก็เป็นคำกล่าวของพระเถระต้องฟังลองสังเกตว่าคำอย่างเงี้ยใครกล่าวก็ได้คือพระพุทธศาสนา เป็นคํากล่าวที่สอดคล้องกับพระพุทธธรรมรัตนสอนไว้ในที่ต่างๆนะพระนนท่านก็สอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทุกฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเทนิที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฝังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี